ท่านผู้ชมที่เคารพคะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสรนสนิษฐานาพงดําเนินรายการค่ะตอนนี้ก็จะเข้ามาถึงช่วงเวลาที่จะมีการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนแต่ว่าเราไม่เรียกว่าเป็นการสนทนาช่วงนี้เรียกว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะตั้งคําถามหรือมีคําถามที่ท่านส่งกันไปนะค ะ, ะที่เพ er ียรธรรมะ .com/106 หรือที่022690006 หรือเป็นคําถามที่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ถ้าหากว่าได้ตั้งขึ้นมาถามก็จะนำเอามากราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนช่วงนี้นะคะเรามาพบกับท่านกันเลยค่ะน้ำมการนะท่านค่ะใช่จตุนพรค่ะวันนี้ยังติดใจในเรื่องแผ่เมตตาเลยนะท่านคะว่าสมมุติเราก็ปฏิบัติธรรมพอคิดว่าสมาธิได้ที่แล้วออันนั้นถือว่าเป็นจุดรวมแสงที่จิตมีพลังหรือ ย, ยังคะใช่ เป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นอ่อนโยนควรแก่การงานเด็ดเดี่ยวนะคะไม่วันไหวเนี่ยค่ะก็ยังไม่หายสงสัยว่ า, วาแล้วพอพอดีไปอ่านบทพยัญชนะที่ว่าที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยนะค ะ, ะสาระสําคัญอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงว่าสาระสําคัญที่อยู่ในบทนั้นเป็นอย่างไรจะได้แม่นยําให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้มีความรู้ด้วยขันดับแรกต้องมีปีติมีปีติแล้วจะมีปราโมท สัพภาไปมีปราโมทก่อนแล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วเนี่ยกายจะสงบระงับ <Okay. S 1> พอกายสงบระงับแล้วเนี่ยจะมีความสุขเกิดขึ้นพอมีความสุขแล้วเนี่ยจิตที่มีความสุขเนี่ยแหละจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ <Okay. S 1> นะจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างเนี้ยให้ตั้งไว้นะซึ่งความเมตตาความรักความเมตตา <Okay. S 1> คือยังไงนะคือเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทนะเป็นจิตที่อ่อนโยนแล้วก็ ประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาลเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้เหมือนมารดาผู้ถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนคือคุณยมทิ๋วเคยเห็นแม่ลูกอ่อนนั้นลูกคลอดออกมาจะดีไม่ดีเนี่ยโอ้โหสายตาที่มีแต่ความรักความเมตตาอย่างนั้นแหล ะ, ะอย่างนั้นแหละจิตอย่างนั้นแหละนะความความ เมตตาอย่างนั้นคือบางทีคนไม่มีลูกใช่ั้มเอาง่ายๆคุณไปอาจจะไปเห็นเด็กคนหนึ่งแม่เด็กคนนี้มันน่ารักจังเลยเด็กคนนี้มั น, นวยน่ารักนี่จิตอย่างนั้นะ่ะจิตอย่างนั้นแหละคือจิตที่มีความรักความเมตตาเอาให้ได้ทุกทิศทุกทางเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาข้างบนข้างล่างนะทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ มันดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนจันใดนะเธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งหมวงแม่ฉันนั้นเถิดเท่ากับเท่ากับว่าพระเจ้าใช้แม่กับลูกนะเมื่อเมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดแต่การที่ปฏิบัติสมาธิจะมี ความรู้สึกบังเกิดขึ้นก็คือมีความปราโมดปีติกายของเราจะสงบระงับมีความสุขและนำมาสู่จิตที่ตั้งมั่นจิตนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วพอถึงตอนนั้นแล้วให้เราตั้งจิตเอาไว้เหมือนกับมารดาผู้มีลูกอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเมตตากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แผ่ไปทั่วทุกทิศถูกต้องทาในใจอย่างนี้เราต้องเอ่ยชื่อใครต่อใครอะไรยังไงไหมคะ คืดิฉันต้องคิดถึงแบบคนทั่วๆไปที่ได้รับการปลูกฝังมาแต่ไหนแต่รายว่าต้องอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นพ่อแม่พี่น้องญาติโกโฮติเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งนั้นให้ตัวเองก็ได้อันนี้พระเจ้าเคยพูดแต่นะถ้าในเนยะของให้ตัวเองก็แผ่ให้ตัวเองได้ค่เนยะของให้คนอื่นก็คือแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งบงโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือจะแผ่ให้ทุกคนผ่านคนเนี้คนนี้หัวหน้าเราใช่ไหม มันดาเราเหลือเกินทําแต่เรื่องที่เราไม่ชอบจ้องแต่จะจับผิดเอาแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งปวงผ่านคนนี้นี่ถ้าจะแตะจะเพาะเจาะจงหมายความว่ายังไงคะเนี่ยแผ่ให้สัตว์ทั้งปวงแล้วต้องผ่านคนนี้ด้วยนะคะก็หมายความว่าแผ่ให้สัตว์ทั้งปวงผ่านบุคคลนี้มันจะไม่เข้าใจได้ไงแปลว่าแปลว่าสัตว์ทั้งปวงจะได้รับเนี่ยต้องผ่านคนนี้ก่อนถูกต้องเอาโดยเอาคนนี้เป็นอารมณ์เอาคนนี้เป็นอารมณ์เอางี้เอาใหม่เหมือนแม่ ให้เราเป็นแม่ของคนนี้คนนี้เราไม่ชอบใช่ไหมอา้าวคิดว่าเราเป็นแม่เขาเขาจะรักลูกคนนี้แบบไหนอ๋อเหมือนเราเราจะทำใจให้เรารักเขามากใช่เพราะเราเป็นแม่เขาแล้วะนะคะลักษณะนี้นะก็คือถ้าเราใช้อุปมาอุปไมยของพุทธเจ้าตรงนีนะ้ก็จะออกมาในลักษณะนี้แหละคือแล้วก็รักเขาะะแล้วก็ส่งไปยังสัตว์ทั้งปวงผ่านคนนี้ โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเถอะอย่างแม่เห็นลูกเนี่ยมีลูกเป็นอารมณ์จึงมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นถูกไหมค่ะแม่เห็นลูกมีลูกเป็นอารมณ์จึงมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นเราก็เอาคนเนี้เป็นอารมณ์ของความรักความเมตตานั้นเธอจันทร์คะเราสามารถจะแผ่ใ น, นลักษณะนี้ได้ไหมคือเหมือนกับว่าเราไม่ระบุเ จ, จาะจงใครแต่ว่าท่านทั้งหลายที่เราระลึกนึกถึงอยู่เนื่องจากก็อยุป่านนี้เราก็มีคนที่อยากจะแผ่ให้เยอะนะคะเรากลัวไม่ทั่วถงึงนะคะท่านคะโอ้แผ่เถอะจะได้ ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้รับทั่วถึงเช่นเดียวกันได้ได้ได้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่กําลังจิตอยู่ที่กำลังิตถึงไม่ถึงอยู่ที่กําลังจิตของเรานะก็สรุปก็คือว่าต้องจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะมีพลังอย่างสูงถูกต้องแล้วก็ให้ตั้งจิตเหมือนกับเราเป็นแม่มีความรักมีความเมตตากับลูกอย่างไรที่เกิดคนเกิดคนเดียวนะคะบุตรคนเดียวในตนให้แผ่ไปเช่นนั้นใช่ค่ะอันนี้คือเอาตามพุทธวจนะค่ะพุทธวจนะดิฉันก็สนใจที่จะปฏิบัติตามพุทธวจนะทีนี้พอมาถึง คำถามถัดไปเลยได้ไหมคะสำหรับวันนี้อยากจะกราบเรียนถามถึงเรื่องของสองมรักในมรักมีองค์แปดคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิคือสัมมาสติในหมายถึงสติปฐานสี่ถูกไหมคะถูกต้องการที่มีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมใช้กายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เกิดสติเป็นฐานที่ตั้งของสติถูกต้องนะค ะ, ะทีนี้มันก็เหมือนกับว่า ก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเหมือนกันไหมคะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยเพราะก็ดูเหมือนกับว่าจะมีสมาธิเกิดเนี่ยก็จะต้องเกิดจากการเจริญสติด้วยแต่ทําไมในสัมมาสมาธิเนี่ยจะพูดถึงแต่ชันหนึ่งสองสามสี่ว่าไปเรื่อยคะ่ะอ๋อสัมมาสมาธิเนี่ยเอาเอายี้ก่อนสัมมาสมาธิออสัมมาสติเนี่ยน ะ, ะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสัมมาสมาธิ อ๋อค่ะอ่าภูเิเช้าพูดอย่างนี้บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาสังกปัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาสติเจ็ดอย่างนี้เนี่ยเป็นบริขารเอเอหมายเจ็ดอย่างนี้นะถ้ารวมกันเป็นหนึ่งะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยคือสัมมาสติเอาหมานะค่ะเจ็ดอย่างนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตนั้นเนี่ย เป็นสัมมาสติค่ะอ๋อขออภัยจิตนั้นเป็นสัมมาสมาธิค่ะดัะนั้นจิตคุณต้องมีสติจิตคุณที่มีสติอย่างเนี้ยแน่นแน่นิ่งอยู่เนี่ยนั่นแหละจิตคุณมีสมาธิหลักเดี๋ยวนะคะเดยเมื่อออมมากมีองแปดถ้ารวบมาถึงเจ็ดมักก็ถึงแวดล้อมจิตสติเป็นหนึ่งอยู่ค่ะจิตที่เป็นหนึ่งั้นเรื่อว่าแต่สัมมาทิฏฐิเรื่อยมาถึงสัมมาสติถูกต้องถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งใช่ จิตนั้นเป็นสัมมาสมาธิหมายความว่าห ม, มายความว่าสมาธิก็คือจิตที่เป็นหนึ่งทีงนี้ผู้รู้เจ้าจึงเอตจะพูดยังไง่ะจิตที่เป็นหนึ่งเอางี้ละกันจิตที่ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้น<ม>อ๋อนั่นไงมรรคแปดเกิดขึ้นละจิตคุณไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนนะอันนี้คือสมาสังกปะถูกไหม ค, คนที่จะมีความเห็นที่จะมาทําตรงเนี้ยคุณต้องมีสมาธิ ความเพียรที่คุณเอามาใช้ในการละการปยาบัติเีเบียนนั่นเป็นสมมาวายมะะะนากายวาจาใจากายวาจาอาชีวะคุณก็บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมแล้วสติที่คุณเอามาใช้ในการละตรงนี้ก็เป็นสัมมาสติอา้าวจิตที่เป็นแบบนี้ก็เป็นสัมมาสมาธินะ่นสิถูกต้องพระเจ้าจึงกําหนดบทเพนชนะในลักษณะของฌานทั้งสี่ในเรื่องของสัมมาสมาธิซึ่งตรงนั้นก็คือมีมรรคทั้งแปดอยู่แล้วอืม ก็เท่ากับว่าคำถามกองที่ชันเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาสติและสัมมาสมาธินั้นจริงๆแล้วสัมมาสติเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสมาธิสัมมาสติเป็นหนึ่งในบริการของสมาสมาธิถูกต้องหนึ่งในบริการของสมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของสมาสติไหมคะถ้าคิดในทางกลับกันสัมมาสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของสมาสติไหม มันห ม, มายความบางอย่างหมความว่าสัมมาสมาธิถ้าเราทำให้เกิดแล้วเนี่ยจะมีสมาสติอยู่ในนั้นด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเราจเจริญสติปัาสีถูกต้องซึ่งดิฉันเชื่ อ, อว่ามีคนจำนวนมากนะคะที่จเจริญสติปัญสีคือใช้กายเวทนาจิตธรรมเป็นบาทฐานแห่งการให้มีสติสตนะค ะ, ะก็เท่ากับว่าเราเรากำลังอยู่ใน สัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเดืออัตโนมัติไหมคะใช่ใช่เพราะจิตที่มีสตินั่นแหะ น, นะาการที่เราจะทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องมีสติใช่ไหมถ้าเรากำลังจ ะ, จะเจริญสติปฐานอยู่ะน ะ, จะเจริญสติปฐานอยู่เนี่ยแล้วสมาธิมันเกิดตรงไหนก็จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั่นแหละคือสมาธิเกิดแล้วค่ะแต่จะเป็นสมาธิขั้นใดเท่านั้นเองหรือเปล่าใช่ในสี่ขั้นหรือในแปดขั้นก็แล้วแต่ ต้องใช้สติหมดเพรนั้นถ้าเราดูการลําดับการเรียงขั้นตอนนะอันนี้เป็นอัธกถาน ะ, ะการเรียงของมรแปดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสมาธิิอันดับหนึ่งเป็นเหมือนกับเรือเนี่ยมันต้องมีหัวเรือในการชี้ทิศทางไปใช่ไหมแล้วเครื่องขับเนี่ยที่เรือที่มันจะมีเครื่องยนต์ที่มันจะแล่นไปได้เหมือนมีใบพัดอยู่ข้างหลังเนี่ยคือสมาธิเป็นกําลังในการขับเคลื่อน หัวเรือไปทางไหนกำลังก็ขับไปทางนั้นดังั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีสมาธิถ้ามีสมาธิเป็นทิฐิที่ถูกต้องนะกำลังที่ขับไปก็ไปท่ศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าไปที่ทางผิดกำลังที่ขับไปก็ขับไปผิดนั้นโดยมีสติเนี่ยเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกันตั้งหัวถึงหางนไหมสติเนี่ยจะเป็นตัวนี่อัตถกฐานนะสติเนี่ยจะเป็นตัวเกี่ยว หัวเรือก่อนหัวเรื อ, อ, อคือสมาธิที่ะนะกําลังขับเคลื่อนออนะนนคือสมาธิค่ ะ, ะสมาธิเป็นกําลังขับเคลื่อนสติเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันอ๋อค่ะอืมประเด็นคุณต้องมีสติลักษณะนี้นั่นก็เท่ากับว่ามาร์เนี่ยไม่ได้แยกเป็นองค์องค์หมายถึงว่าไม่ได้แยกขาดจากกันอยู่ลําพังไม่ได้อย่างนั้นหรือคะก็พระพุทธ้าพูดชัดเจนว่าทางเนี่ยมีทางเดียวค่ะแต่ทางเนี้มีองค์ประกอบแปดอย่างอ๋อค่ะไม่ใช่ทางแปดเส้นค่ะอันนี้เราได้พูดไปก่อนแล้วว่า ใครบอกว่ามร์แปดมร์แปดเนี่ยคุณพูดไม่ถูกค่ะคุณต้องบอกว่ามร์มีองค์แปดมร์อันเดียวแต่มีองค์แปดอย่างมีองค์ประกอบแปดอย่างเป็นทางสายเดียวใช่แต่ประกอบไปด้วยแปดอย่างมีองค์ประกอบแปดอย่างซึ่งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไปด้วยกันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทางแปดทางนะทางสายเดียวให้ไปสู่วิมุตินะมีองค์ประกอบแปดอย่างนี้ทาไมต้องแยก เ, เพื่อให้เข้าใจ ว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างเราทำตรงนี้เราได้ตรงไหนอย่างนั้นค่ะถึงแม้ท่านจะอธิบายอย่างนี้แล้วดิฉันยังจะถามคำถามต่อไป<า>เกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าจะไปถึงในรายละเอียด <c oughs> ส่วนของสติกับส่วนของสมาธิเนี่ย <c oughs> เราสามารถที่จะทำสลับขั้นกันได้ไหมคะคือสามารถเข้าฌานทั้งหลาย <c oughs> โดยไม่มีการเจริญสติสัมมาสติได้ไหมอ๋อมันมาด้วยกัน ถ้าคุณไม่มีสติในการอยู่กับราหายใจเป็นต้นคุณไม่มีสติอยู่ในการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตจะไม่มีทางเป็นหนึ่งค่ะงั้นก็เท่ากับว่าการที่คนจำนวนมากที่บอกว่าไปเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นก็ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแล้วก็คุณไปเจริญมักแดนั่นแหละถึงมักแปดใเพราะมันมาด้วยกันมาด้วยกันนะคะในส่วนของลำดับของสมาธิซึ่งมีอยู่กี่ขั้นนะคะ สมาธิมีทั้งหมดเก้าขั้นมีทั้ง9้าขั้นนั้นสำหรับการที่เราจะไปครบเก้าขั้นเนี่ยจะต้องเดินไปตามลาดับจำเป็นต้องไปครบเก้าขั้นมาไม่จาเป็นไม่จำเป็นขอแค่ขั้นเดียวนะคะขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ขั้นเดียวก็ได้ขสองขั้นก็ได้สามขั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะจำแนกว่าครบท่วนบริบูรณ์นั้นสามารถแยกออกได้เป็นเก้าขั้นก็นี่ไงความละเอียดรอบครอบของพระพุทธเจ้า ประกาศทรมมันต้องเน็บนนเหมือนอย่างสีหะแหมจะตะครุบเหยื่อต้องให้ตายเลยอย่างนี้น ะ, ะส่วนการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะว่าเป็นส่วนใหญ่ที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ปฏิบัติกันมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเดินหน้าไปในระหว่างปฏิบัติสติปัฏฐานสี่จเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยชาญต่างๆจะบังเกิดขึ้น ไหมคะถูกต้องคใครปรารถนาฌานที่หนึ่งสองสามสี่นะถ้าเธอปรารถนาฌานที่หนะึ่งให้ทำอนาปานาสตนะิก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองแตะนะถ้าเธอปรารถนาอยู่ว่าจิตของเราได้ฌานที่สองนะเธอจงเจริญอนาปานาสติก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองแล้วนะเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องกันตรงนี้มันมันแยกกันไม่ออกเลยอ่ะมันมาด้วยกันเลยค่ะอนะ แล้วทีนี้ถ้ากลับมาถามในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่อีกนะคะว่าในเมื่อเวลาที่พูดถึงบทพยัญชนะไม่ว่าจะเป็นภาษาปากหรือว่าเวลาที่ไปอ่านในพุทธวจนะเลยก็จะต้องมีการเรียงลําดับเริ่มต้นที่กายก่อนแล้วก็ไปที่เวทนาแล้วก็ไปที่จิตไปที่ธรรมการเจริญสติปัฏฐานจึงต้องเดินโดยลําดับไม่จําเป็นอ๋อค่ะไปอันไหนก็ได้ค่ะคืออันนี้ พระพุทธเจ้าอธิบายอาการของจิตที่ดิฉันต้องกล่าวเรียนถามอย่างนี้นะค ะ, ะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่อ้างอิงตําราเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าบางครั้งจะง่ายกว่าแต่พอเราไปอ่านพระพุทธเจ น, นะเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราจะเราจะพิจารณากายดีนี่ไงวเวทนาดีนี่ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้บอกว่าผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงแล้วผู้มีธรรมวิหารีเราก็แสดงแล้วผู้อะไรต่างๆเราก็แสดงแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องอาศัยโคนไม้เรือนว่าในการเปลี่ยนเผากิเลส ให้ไปปฏิบัติอย่างนี้ก็เนี่ยค่ะดิฉันเข้าใจว่าที่เกิดคำถามเช่นนี้เพราะปฏิบัติก็จึงในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยสงสัยก็กลับไปเปิดตำรายอยู่เรื่องนะคะแต่ว่ารู้สึกจะสนใจคำถามนี้มากจนใช้เวลาเต็มที่ลอาจเกินเต็มที่เลยค่ะท่านคะก็นมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งดิฉัน ก็คงจะต้องเก็บคำถามอื่นๆเอาไว้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะพรุ่งนี้มรืนนี้พักกันก็ไปหาโคนไม้เรือนว่างหรือไปหลีกเลนลองเจริญสติปฐาน4แล้วเราคงได้ความกระจ่างมากขึ้นเยอะแล้วส่วนจะสงสัยอะไรอีกทีนี้ท่านถามกันเองบ้างนะคะส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 หรือว่า022690006ค่ะวันนี้นรมาส ก, การของพระคุณนะคะสำหรับพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุลโ น, โนซึ่งท่านก็เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกอยู่ที่ อ, อําเภอ น้องหานค่ะนวมสการขอพระคุณกระท่านค่ะได้ทุเป้อนค่ะแล้วติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ตี5วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ